งองามแต่ถ้าเราไม่กําหนดแล้วเนี่ยมันก็จะไม่รู้ไม่เข้าใจนะเราต้องกําหนดบ่อยๆรู้สึกบ่อยๆเลี้ยวซ้ายแล้วขวากระพิตาอ้าปากอันนี้เป็นส่วนระยบทย่อยเนี่ยเราก็ต้องทําด้วยไม่ใช่แต่อาศัยเวลายกมือการเดินอย่างเดียวอันนั้นยังไม่พอนะสติยังไม่ถี่พอเราต้องผ่านจากอายะบทที่หยาบๆนะรู้อายะบทหยาบๆรู้ทันซะก่อนเพราะการที่จะไปรู้จิตใจเนี่ยจำเป็นที่ต้องรู้เรื่องการเคลื่อนไหวทางกายซะก่อนเพราะการเคลื่อนไหวทางจิตนี่มันละเอียดอ่อนมาก สติปัญญาของเราไม่ถี่หรือว่าไม่ไม่เชัดเจนจริงๆแล้วเนี่ยมันจะไม่รู้จะไม่เข้าใจเพฝันกายกาหมดเรียบหมทางกายรู้สึกกายกายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนกายคู่กายเหยียดกายเคลื่อนไหวเดี๋ยวซ้ายแลขวาพิกตาอ้าปากหายใจเดีย๋ยวนี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดความรู้สึกตัวมากทั้งนั้นถ้าเราทําแล้วกาหนดแล้วมันจะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาอันนี้จริงว่าเป็นเรื่องที่จําเป็นสําหรับการประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะว่าการจะไปดูจิต ด, ดูใจนะั้นไม่ใช่าจะไปดูได้เลย พอจิตใจนั้นมันเป็นเรื่องของความนึกความคิดัละ ค, ความรู้ส me, uh ึกที่มันละเอียดมากถ้าสติปัญญาของเรามันอ่อนสติปัญญาน้อยแล้วเนี่ยจะไม่รู้จะไม่เห็นจะไม่เข้าใจเพราะเมื่อไอความรู้สึกมันละเอียดความคิดต่างๆมันก็ละเอียดตามไปเพราะฉนั้นเป็นจึงเป็นเรื่องที่เราต้องใช้สติปัญญาอย่างมากถ้าหากว่าเรารู้เรื่องกายฝึกสติที่ควบคุมกายได้ดีแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าทําให้เรารู้สึกจิตง่ายขึ้น แต่ถ้าเรายังกำหนดรู้กายขึ้นว่าหยาบหยาบยังไม่ได้แล้วนการไปดูจิตก็จะเป็นไปไม่ได้เห็นไม่ได้เลยเพตอ น, นการรู้สึกทางกายอย่างชัดเจนเนี่ยนะเวลาที่เราเดินอยู่เนี่ยก็ความรู้สึกในขณะเดินไปอยู่ทุกขณะไม่มีการเผลอเหลียวซ้ายแลขวาเราจะทําอะไรมันรู้สึกอยู่เสมออย่างเงี้ยมองจะเป็นสิ่งที่เรียกว่ากระตุ้นให้เกิดความรู้สึกทางจิตมากยิ่งขึ้นถ้าเราลองรู้สึกทางกายไม่ทันแล้วอย่าไปดูจิตเลยโยมความคิดรากไปกินหมดเลยจูงไปหมดเลยะความคิดดึงไปจูงไปลากไป เียปัญหาก็ดึงไปหมดไม่ทันความคิดไม่รู้สึกไม่ทันอารมณ์ต่างๆเพอเรากระทบสัมผัสได้ยินปั๊บเนี่ยมันจะเกิดรักเกิดชังเกิดโกรธเกิดเปลียดเกิดดีใจไม่ดีใจอะไรขึ้นมาเกิดขึ้นมาแล้วไม่ทันจริงๆหยอเพราะฉะนั้นว่าสิ่งสําคัญสุดคือทําให้รู้สึกทางกายมากๆดูกายมากๆเพราะฉะนั้นว่ามีกายนันพรัชนาสติปัฏฐานเนี่ยให้รู้สึกทางกายเป็นฐานเบื้องต้นพอเรารู้สึกทางกายเป็นฐานเบื้องต้นมากแล้วรู้สึกทีแล้วเนี่ยอาการที่จะดูจิตนั้นไม่ถึงเราจะไม่ดูมันก็เห็นเอง อาการน้องจิตต่างๆนี่มันเกิดขึ้นถึงยังไม่รู้เราก็จะรู้เองเห็นเองอันนั้นเป็นเรื่องที่ว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเรียกว่าต้องมาทําความรู้สึกทางกายนั้นให้มากนะถ้าเราจะไปดูจิตเพ่งกําหนดรู้จิตเลยนี่ไม่ทันจริงๆนะโยมไหมต้องเอากายนะสําคัญเอากายยานอตนาติปฐานทำมีสติกําหนดรู้กายให้เห็นกายในกายอยู่เป็นประจําเพราะฉะนั้นต้องใช้สติระลึกรู้สึกอยู่ทุกขณะในดีวิบัในการเคลื่อนไวหวกายเพราะการฝึกกายรู้ ที่เป็นไปในกายแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นจิตเพราะจิตมันก็อยู่ในกายนั่นเองนะเมื่อรู้สึกในจิตทันอารมณ์ต่างๆนี่มันเกิดขึ้นมาเราก็จะสามารถเห็นแจ้งเข้าใจโอ้ลักษณะของความมีเที่ยงของอนิจจังรตุคังอนัตตาเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างนี้เมื่อก่อนเราไม่เห็นเห็นว่ามันเที่ยงถ้าความคิดมันเที่ยงความคิดเป็นตัวเป็นตนอารมณ์ต่างๆเป็นตัวเราเป็นของเราแม้แต่ความรักความชังความโกรธความเลียดความโลภปวดต่างๆก็เป็นเราไปหมด เราไม่เห็นว่ามันเป็นสักความคิดสักว่าอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นกับจิตเราไม่เห็นไม่เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเราจะเห็นอารมณ์เหล่าเนี้ยมันเปลี่ยนแปลงโอ้ไอความคิดก็มันเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ไม่คงที่อย่างนี้นะสภาวะมันเป็นอย่างนี้มันเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะอย่างนี้เองมันเป็นอนัตตาเราบังคับบัญชามันไม่ได้มันเป็นอย่างนี้เองเราจะเข้าใจทั้งนี้ว่าทุกอย่างมันเป็นอนิจจังหมดนะคือไม่เที่ยงทั้งหมดถ้าเราไปยึดว่าเป็นของเที่ยงเป็นราเป็นอัตาตัวตนทั้งแล้วเนี่ยก็เป็นผู้ทุกข์อย่นนนนนนาาารรมมหคคววิดััั้้้ทงเเจก็ธะ คือเห็นเข้าไปในความคิดเห็นรู้เรื่องของความรู้สึกต่างๆแม้แต่เวทนาที่เกิดขึ้นทางกายเราก็ดีอันหรือว่าความรู้สึกพอใจไม่พอใจมีโสมนัติพมนัติความรู้สึกของใจอเกิดความชอบใจไม่ชอบใจก็ดีเหล่านั้นมันล้วนแต่เป็นสิ่งที่ไม่ไม่ใช่ตัวตนหลักะทั้งหมดมันเป็นแต่เพียงอารมณ์ความรู้สึกที่มาเกิดขึ้นขณะหนึ่งๆที่ไม่มีสติความรู้ทันเราก็ยึดมั่นเป็นเราเสียมันก็เลยทุกข์เพราะอารมณ์เหล่านั้นเพราะฉะนั้นการที่เรามาปฏิบัตินั้น ต้องพยายามทําให้ถี่ให้ละเอียดนะพยายามอย่าทําเป็นแบบว่าสักว่าทําคือทำแล้วต้องไขครวนต้องพิจรารณาแล้วว่าโยนิสโสมนสิการเนี่ยคือทําแบบแยบคายเป็นผู้ที่สังเกตนะในการที่เราทําความเพียรถ้าเราทําแบบเลอะเลไปแบบไม่กําหนดรู้แบบละเอียดแล้วเนี่ยมันก็จะไม่เกิดผลอะไรให้เรารู้แล้วเข้าใจจิตก็จะไม่เกิดความสงบสมาธิจิตก็จะไม่เกิดขึ้นเราก็จะไม่รู้ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นนึกว่าการเดินจงกรมก็ดีเรารู้ ว่มันเดินอย่างนี้มันเกิดสติดีเดินเร็วมันเป็นรู้สึกยังไงมันเกิดกหมดความรู้สึกทันไหมเราก็ต้องสังเกตดูว่าเดินช้าๆเนี่ยมันเป็นยังไงรู้สึกทันจับความรู้สึกได้ดีไหมจิตมันรู้สึกอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันทันไหมเราก็สังเกตถ้าเราสังเกตว่าเราเดินเร็วไปเราจับความรู้สึกไม่ทันความคิดมันมีช่องว่างที่เกิดขึ้นมาเราก็เดินช้าๆลงถ้าเดินช้ารู้สึกว่ามันก็หมดแบบเฉยชาไปแบบไม่ไม่กระตุ้นให้เกิดความรู้สึกที่ชัดเจนแล้วก็เดินเร็วขึ้นอีกหน่อย นั้นเราลองสังเกตดูว่าเราเดินลักษณะไหนเดินอย่างไรแล้วมันเกิดความรู้สึกที่จับอารมณ์ปัจจุบันได้ทันทุกขณะทุ่งทีเราก็รู้สึกต้องทําอย่างนั้นทั้งอย่างที่เราทำเอาไว้บางครั้งเราเห็นเพื่อนเดินเร็วเราก็เดินเร็วเห็นเพื่อนเดินช้าเราก็เดินช้าที่เราไม่เคยที่จะมาดูว่าไอความรู้สึกที่เรากําหนดนั้นมันมันได้ทันอารมณ์ปัจจุบันไหมพนะการรู้สึกอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันได้ทันเนี่ยนะยกขึ้นรู้สึกย่างไปรู้สึกเหยียบลงรู้สึกรู้สึกที่มันติดต่อไอความรู้สึกที่มันเกกิดดมันบพอยขึ้า มันรู้สึกไอความรู้สึกก็ดับไปพอเราเคลื่อนไหวรู้สึกก็เกิดขึ้นพอหยุดเคลื่อนไหวไอความรู้สึกมันก็หยุดพอเราเหยียบลงกับพื้นความรู้สึกก็เกิดขึ้นพอเราไม่ขยับความรู้สึกก็หายไปเพราะฉะนั้นความรู้สึกเราเคลื่อนไหวทุกขณะเนี่ยมันเกิดขึ้นทุกขณะมันเกิดดับทุกขณะความรู้สึกอันเกิดขึ้นเนี่มันเกิดดับเกิดดับนะอารมณ์จิตบันมันเกิดดับอยู่แล้วเรายกเคลื่อนเคลนไหวเราก็รู้สึกพอเราหยุดเคลื่อนไหวมันก็ดับไปเราเคลื่อนไหวอีกรู้สึกอีกเราเหยียบอีกรู้สึกอีกเพราะฉะนั้ เมื่อสี่ิบสี่ทุกสี่สิี่ความรู้สึกเอาพลิกมือขึ้นรู้สึกเนี่ยมันก็ดับไปความรู้สึกอันที่เราจากต่อพลิกเนี่ยมันก็ดับไปพอยกขึ้นมาเรารู้สึกพอเราหยุดยกความรู้สึกในการกําหนดมันก็หายไปพอเราขึ้นมามันก็รู้สึกความรู้สึกก็ดับไปพอเคลื่อนมาที่หน้าอกมันรู้สึกความรู้สึกก็ดับไปเอาออกขึ้นมามันรู้สึกที่ความรู้สึกก็หายไปพอวางลงมันรู้สึกพอเราวางแล้วความรู้สึกก็หายไปเพราะความเรารู้สึกมันรู้สึกในขณะที่เราความอย่างนั้นเนาะเป็นอารมณ์ปัจจุบัน พลิกมือขึ้นกับปัจจุบันยกขึ้นกับปัจจุบันเอาเข้ามากับเป็นปัจจุบันลกขึ้นกับเป็นปัจจุบันเพราะมันเป็นความรู้สึกที่เป็นจ hmm? ังหวะจังหวะไปเพราะการสร้างจังหวะนั้นเราจะรู้สึกว่าให้มันรู้สึกเป็นขณะขณะขณะขณะไปให้มันทีนะยกขึ้นรู้สึกเข้ามารู้สึกให้มันรู้สึกเป็นขั้นเป็นตอนพอจับความรู้สึกอันนี้ได้แล้วมันจะทันนะทันความคิดพอคิดขึ้นมาโอ้มันรู้ทันชัดแต่ทีเนี้ยพอตาได้เห็นปั๊บจิตใจมันคิดอะไรขึ้นมาปุ๊บมันก็รู้ทันแล้วพอหูได้ยินี่ ใจเราจะเป็นรู้สึกยังไงเราจะรู้ทันนันทีโอ้ในใจเราปกติใจเราสบายใจเราไม่คิดปรงแต่งใจเราไม่ฟุ้งซ่านเรารู้ทันที่ใจแล้วเมื่อเรามาดูที่ใจแล้วนะมันก็ไม่มีอะไรที่จะเกิดขึ้นมานะเพราะฉะนั้นนี่ว่าให้เรามาดูความรู้สึกทางกายผ่านความรู้สึกทางกายนะั้นให้ละเอียดอ่อนพยายามสังเกตทำความรู้สึกให้รู้ปัจจุบันทางกายมากๆแล้วเนี่ยจะเพิ่งไปดูจิตผู้ทําใหม่ๆจะเพิ่งไปดูความคิดความคิดนั้นถ้าเราไปจับมันมันไม่ทันแล้วต้องมาดูกายให้มากๆ เมื่อทำความรู้สึกทางกายมากเข้ามากเข้าไอ้ความรู้สึกมันจะทอนเข้าไปหาจิตใจเองนะความคิดก็จะปรากฏเห็นชัดชัดคิดเป็นเรื่องขึ้นมารู้สึกชัดรู้สึกอะไรขึ้นมาก็ชัดเมื่อมันชัดในการดูความคิดแล้วมันเพลินในนิยมเฝ้าดูกําหนดรู้ปล่อยรู้ปล่อยรู้ปล่อยรู้ปล่อยมันปล่อยบ่อย<ๆ>เข้าวางบ่อยเข้ามันก็เลยเป็นผู้ที่รู้ว่าจิตใจก็อยู่อย่างปกติจิตใจเริ่มสงบลงสงบลงสงบลงรู้สึกเป็นอุเบกขามากขึ้น อะไรกระทบสัมผัสมันรู้ทันทีเนี้ยมันก็จะวางใจจะเบาใจจะสบายอยู่ที่ไหนมันก็แบบว่าเป็นผู้สบายอะไรจะเกิดขึ้นใ น, ในใจิตในใจก็รู้ทันแล้วใจเรามันจะรู้สึกว่ามันอยู่อย่างผ่องใสอยู่อย่างสะอาดคล้ายๆก็ไม่มีอะไรเข้ามาทําให้เกิดความวุ่นวายเพราะไอ้ความวุ่นวายนั่นก็เนื่องมาจากความคิดนั่นเองถ้าเรารู้อยู่กับใจแล้วเนี่ยใจไม่คิดไม่ปรุงไม่แต่งแล้วอะไรๆมันก็ไม่มีน้ำก็อยู่ในความว่างอยู่ในความ สบายๆอยู่เป็นอย่างปกติแต่ถ้าเราไม่รู้ใจแล้วเนี่ยนะไม่รู้ทันความคิดแล้วเนี่ยอะไรๆมันก็เกิดขึ้นมาหลายๆอย่างทุกอย่างมันก็มาจากความคิดนั่นเองที่เมื่อความคิดมันคิดด้วยสติคิดด้วยสมาธิคิดด้วยปัญญาคิดด้วยความรู้ถ้ารู้ทันกั้นกลองความคิดมาแล้วเนี่ยความคิดตอนนั้นน่จะเป็นความคิดที่ว่าเป็นตัวปัญญาทั้งหมดจะทําอะไรมันก็เป็นปัญญาทั้งหมดเพราะไม่เอาทุกมาใส่ตนแต่ถ้าเมื่อใดเราคิดเราคิดด้วยความไม่รู้ คิดด้วยความโลภ ค, คิดด้วยความโกรธคิดด้วยความหลงแล้วเนี่ย <c oughs> ความคิดเหล่านั้นก็เป็นความคิดเรื่องของกิเลสตัณหาอุปาทานเป็นเรื่องของความทุกข์ทั้งหมดเพราะนึงว่าความคิดนั้นมันมีอยู่สองอย่างคือคิดแบบประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาหรือประกอบด้วยสติสมาธิปัญญานั้นเป็นความคิดที่มันเป็นคิดที่บริสุทธ คิดอะไรขึ้นมาก็ไม่เป็นไปเพื่อที่จะเบียดเบียนตนเองแล้วก็เบียดเบียนผู้อื่นรู้เท่าทันรู้จกักกิเลสแล้วคือความคิดนั้นใช้ความคิดนั้นความคิดก็มีอยู่อย่างนั้นแต่เราใช้มันเป็นถ้าเราใช้ไม่เป็นไอความคิดเนี่ยมันเป็นทั้งคุณแล้วก็เป็นทั้งโทษมีทั้งคุณแล้วก็มีทั้งโทษเพราะนั้นความคิดนั้นจะมีอยู่ทั้งปัญญาหรือทั้งอวิชชาอยู่อยู่ด้วยกันเพราะฉะว่าถ้าเราจเจริญสติหรือมีศีลหรือมีสมาธิมีปัญญาอยู่ในอจิตในใจแล้วเนี่ย ความคิดออกมามันเป็นความคิดที่บริสุทธิ์ไม่ให้ทุกข์ไม่ให้โทษแก่ผู้คิดเองแล้วเป็นความคิดที่ปล่อยวางได้เป็นความคิดที่ใช้การใช้งานแบบไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยนะคิดทอะไรมันก็ไม่เป็นทุกข์เลยถ้ามีคิดด้วยปัญญาคิดด้วยสติแต่เมื่อใดเราคิดด้วยโมหะคิดด้วยความหลงคิดด้วยความโกรธคิดด้วยโทสะขึ้นมาแล้วนี่ยประกอบไปอารมณ์อันนี้มันก็เป็นทุกข์แล้วเะนั้นที่ว่าความคิดนั้นมันจึงมีอยู่สองอย่างถ้าสติมันประกอบถ้าปัญญามันเข้าประกอบนะถ้าศีลมันเข้ามาประกอบในความคิดทั้งหมด ก็เป็นความคิดที่เราบ่อยสุดแล้วก็เป็นจิตของผู้ที่ว่ามีสติพร้อมลักษณะอย่างนั้นเพราะถ้าเราคิดดีมันก็เลยทําให้จิตใจนั้นดีขึ้นมาเพราะฉะนั้นว่าบาปมันจึงเกิดขึ้นมาจากความคิดที่ไม่ไม่มีสติไม่มีปัญญาเข้ามารู้นั่นเองพอคิดที่มาไม่ดีมันก็พูดไม่ดีทําไม่ดีเพราะฉะนั้นที่ว่ามันเกิดมาจากต้นตอความคิดเพราะฉะนั้นความคิดจึงมีอยู่สองอย่างถ้าคิดแบบวิชาวิชาเนี่ยถ้คิดด้ยวยปัญญาแล้วก็คือประกอบด้วยสติประอบด้วยสมาธิประกอบด้วยความรู้เท่ารู้ทัน คือรู้แจ้งแล้วคิดออกมามันก็เป็นเรื่องที่มันไม่มีความทุกข์แต่ถ้าเราไม่รู้เท่าไม่รู้ทันคิดไปด้วยความหลงคิดด้วยความไม่รู้แล้วเนี่ยมันก็เอาความทุกข์เข้ามาด้วยเอาความรักความชังความโกรธความเปรียดความอิจฉาพยาบาทความยินดียินร้ายความอะไรต่างๆมันก็เอามาหมดเลยทีเนี้ยมารวมกันหมดในความคิดอนันต์มันจึงว่าการเห็นความคิดเพียงครั้งหนึ่งเนี่ยคือการเห็นธรรมะแล้วโยมไม่ใช่เห็นสิ่งอื่นแล้วเห็นความคิดที่มันเกิดมันดับเนี่ยเห็นอาการที่มันคิดปรุงขึ้นมาเนี่ย เห็นราคะเห็นโทรศัพมหะที่มันประกอบกันมากับความคิดเนี่ยการเห็นแต่ละครั้งละครั้งเนี่ยคือการเห็นธรรมนะโยมไม่ใช่เห็นสิ่งอื่นการเห็นอนิจจังลุกขังอนัตตาเห็นในนี้เห็นในความคิดนี้เองการเห็นอริยสัจเห็นความทุกข์เห็นเหตุเกิดแห่งความทุกข์เห็นความดับทุกข์เห็นทางปฏิบัติแห่งความทุกข์ก็เห็นเกี่ยวกับเรื่องความคิดนี้เองเพราะฉในเรื่องความคิดนั้นมันจริงหรืกว่าอยู่ในนั้นทั้งหมด ธรรมะทำอยู่ในความคิดทั้งหมดเพราะการรู้จากความคิดเพียงอย่างเดียวเนี่ยอย่างหลวงพ่อท่านเน้นพยายามให้รู้ทันความคิดเนี่ยคือรู้ทันทั้งกิเลสรู้ทันทั้งสมุทยัยรู้ทันทั้งความทุกข์ทั้งหมดเพราะนั่นการรู้ทันความคิดที่คิดขึ้นขึ้นแต่ละครั้งและคราวเนี่ยจึงเป็นเรื่องของปัญญาเพราะคนที่มีปัญญาแล้วย่อมรู้เห็นอาการความคิดที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงแต่เห็นลักษณะแห่งความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของความคิดเหล่านั้นแล้วไม่เข้าไปยึดถือในความคิดเหล่านั้นเป็นเราเป็นของเรา เห็นเป็นธรรมชาติที่มันเกิดเมันเป็นอย่างนั้นเองเกิดขึ้นอย่างนั้นลักษณะอย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นในลักษณะอย่างนั้นนั้นลักษณะการที่การเข้าไปเห็นนะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจของเราดังนั้นการปฏิบัติของเรานั้นปฏิบัติเพื่อที่จะรู้จะเห็นจะเข้าใจแล้วเพื่อปล่อยเพื่อวางไม่ใช่เพื่อเอาถ้าเรากระทำด้วยความอยากกระทํำด้วยจะเอาแล้วเนี่ยคงจะไม่ได้ถ้าเราทําเพื่อปล่อยเพื่อวางเพื่อไม่เอาแล้วเราจะได้เพราะเป็นลักษณะอย่างนั้นมาทั้งการเจริญสติ เราจึงทําทด้วยศรัทธาทําด้วยวิริยะคือความภาคเพียรนะทําด้วยสติทําด้วยสมาธิและทําด้วยปัญญาประกอบองค์ธรรมเหล่านี้เมือ่อองค์ธรรมเหล่านี้ประกอบกันเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะเป็นธรรมที่ว่ามีกําลังที่แก่กล้าสามารถที่จะรู้เท่ารู้ทันต่อกิดเลสต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นในทางด้านจิตใ จ, จของเราดัง น, นั้นการประพฤษษษติปฏิบัติมโหจะเป็นไปเมื่อความก้าวหน้าความทุกข์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาเราก็จะสามารถรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้จะเอาชนะสิ่งเหล่านั้นได้ ผลการเอาชนะสิ่งอื่นร้อยอย่างพันอย่างก็ไม่เรียกว่าไม่ไม่ไม่ไม่ดีเท่ากับการเอาชนะกิเลสที่ชนะจิตใจตัวเองเพราะการชนะกิเลสและจิตใจตัวเองนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่จะทําให้จิตใจนั้นเกิดความสุขเกิดความเย็นเกิดความสบายถ้าเกิดความเป็นปกติมากยิ่งขึ้นดังนั้นการเอาชนะกิเลสครั้งหนึ่งก็เป็นการสร้างบารมีครั้งหนึ่งการเอาชนะกิเลสได้หลายครั้งก็สร้างบารมีสูงขึ้นแต่ถ้าเราพ่ายแพ้ต่อกิเลสครั้งหนึ่งก็เป็นการ สร้างสมนะเรียกว่าบาปทุกครั้งไปทวันทั้งการเอาชนะทุกครั้งเนี่ยจึงเป็นเรียกว่าอุ ป, ปนิสัยเป็นบารามีของคนเรายิ่งเราเอาชนะนิวรณวันวันหนึ่งเราชนะความง่วงความสุขสั่นลำคาลวามสงสัยลังเลยได้เนี่ยโดยการทําความเพียรแบบเป็นผูส้สังเกตแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นการเรียกว่าเพิ่มบารามีเพราะบารามีนั้นอยู่ที่การกระทําอยู่ที่ความเพียรถ้าเราเพียรมากปฏิบัติมากเราก็มีบารามีมากแต่เราที่เกียรติไม่กระทํา นรัเป็นคนแบบว่าเอาแต่ใจตัวเองอยากจะหลับจะนอนแล้วก็ทําไปตามใจตัวเองนั้นก็เป็นการสร้างสมบาปให้เกิดขึ้นสร้างสมความไม่รู้ไม่เข้าใจก็จะเป็นเหตุที่เราตกอยู่ในอารมณ์ของบาปทําให้เรากิจิตเศร้าหมองมากขึ้นก็ไม่เป็นทางความสุขความเจริญแตะนั้นชีวิตของคนเหล่านั้นจะบริสุดได้ก็ด้วยปัญญาเพราะนักการอบรมสร้างสมปัญญาด้วยการทําความรู้สึกตัวในการยืนการเดินการนั่งการนอนการคูการเหยียดการเคลื่อนการไหว เดินหน้าถอยหลังเหลียวซ้ายแลวขวากระพริบตาอ้าปากหายใจจะฉันจะดื่มจะพูดหรือแม้แต่เราจะคิดอะไรขึ้นมานะให้เรามีสติเข้าไปกำหนดรู้อยู่ในทุกขณะในการที่กระทบสัมผัสกั บ, กบอารมณ์เหล่านั้นนะในการเคลื่อนไหวเหล่านั้นก็จะทําให้ปัญญานั้นได้มีโอกาสจเจริญงอกงามขึ้นมาเมื่อสติปัญญาจเจริญงามขึ้นมาในะอกุศลธรรมต่างๆความโลภความโกรธความหลงความไม่รู้ต่างๆมันก็จะหมดไปจากจิตจากใจ เมื่อจิตใจมันหมดแล้วมันก็หยุดเกิดแล้วความทุกข์มันจะไม่เกิดแล้วก็เหลือแต่ใจที่มันอยู่อย่างปกติอยู่อย่างสงบอยู่อย่างเย็นแม้ความตายมันจะมาถึงมันก็ไม่ขั้นคลั่งไม่กลัวความตายไม่กลัวตกนรกไม่กลัวที่จะไปทุกขติอบายแล้วเพราะมารู้เท่าทันแล้วว่าเออเหตุแห่งนรกนั้นเราข้ามพ้นแล้วมันไม่เป็นทุกข์อีกแล้วเพราะนั้นจึงว่าเราต้องมารู้ปัจจุบันนั่ก่อนคนเราจะไปนรกไปสวรรค์นั้นมันไม่ได้อยู่ที่ความอยาก <ytt ips> นะมาทรมอยกันพาไปไม่ได้เราอยู่ที่ปัญญาที่เรารู้ทันอารมณ์ปัจจุบันเนี่ยไม่ให้ใจเราโกรธไม่ให้ใจเราโลภไม่ให้ใจเราหลงไม่ให้ใจเราคิดชั่วพูดชั่วหรือไม่ทําชั่วอะไรเงี้ยมันก็เป็นการปิดประตูบายภูมินะปิดประตูนรกปิดประตูแห่งความทุกข์ต่างๆได้แล้วเพราะฉะว่าศีลสมาธิปัญญาด้วยการเจรเิญสตินั้นจึงเป็นการปิดประตูบายภูมิปิดประตูนรกเปิดประตูสวรรค์เปิดประตูนิพพานเข้าไปหาทางแห่งความสุขความเจริญท่านอาตมาภาพได้ แสดงข้อคิดความเห็นทั้งหมดมาก็ขอสรุปว่าการที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นก็เพื่อที่จะให้โยมทั้งหลายนั้นได้รู้ได้เข้าใจว่าการเตรินสตินั้นเป็นเรื่องของการที่มาทําความรู้สึกตัวกำห น, ะนดรู้กายรู้ใจตัวเองให้เห็นกายก็เป็นกายให้เห็นใจก็เป็นใจแล้วนะแต่เมื่อทาอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะทําให้เราเกิดปัญญารู้จะปล่อยรู้จัะวางมากขึ้นความยึดถือต่างๆอุปาทานต่างๆที่เคยยึดเคยถือมันก็จะค่อยปลดเปลื่องค่อยหมดไปดังนั้น อินนสตงแลการปรัสรติต้นก็มีมากมายหลายอย่างอย่างสูงสุดก็คือการดับทุกข์ได้ที่นเชินนั่นเองตอนนั้นอาตมาได้กล่าวมาเขาว่าพยายามทุ่มควนแกเวลาจึงขออราธนาคุณของพระรัตนใจคือพระเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์จงเป็นสิ่งที่อยู่ในจิตในใจของเราแล้วก็จงบรรดาลใจเราทั้งหลายนั้นให้เป็นผู้ที่รู้ว่ามีความสุขความสงบแล้วก็ความสบายขอให้สติปัญญานั้นจงเป็นผู้นําทาง เพราะทั้งหลายนั้นไปสู่ความดับทุกข์ด้วยกันทุกคนทุกท่านเทินวิโมนจะตโมะโลฟูดให้เราได้ฟังนั่นก็เน้นหลายจุดแต่มีอยู่จุดหนึ่งที่เราจะต้องเอาไปพินิษพิจารณาคือความเป็นคนรู้จักสังเกตมีการเอาใจใส่ระมัดระวังพิจารณาใครควรในการกระทำในการยกมือ ก็าตามในการเดินจงกรมก็าตามพยายามสังเกตอะไรมันเกิดขึ้นกับกายกับใจพินิษพิจารณาให้มันถ่องแท้ในสิ่งที่เกิดขึ้นคนที่จะรู้เร็วรู้ช้าอยู่ตรงที่ความเป็นผู้ที่สังเกตรหรือไม่สังเกตคนที่บางคนนี่รู้ช้าเพราะว่าทําแล้วจิตไม่ใส่ใจไม่ตามยกมือก็ยกไปเฉยๆเดินจงกรมก็เดินไปไม่รู้จะดูตรงไหน คือมันมารู้จากสังเกตเนี่ยถ้าเราสังเกตธรรมะเกิดขึ้นตลอดเวลาเนี่ยธรรมชาติมันเกิดขึ้นเรานั่งนานธรรมะจะเกิดธรรมะคือสภาพที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรานั่งนานก็ปวดขาเห็นอยู่วันทุกข์อะไรเกิดขึ้นกับกายกับใจรูปเป็นโลกนามเป็นโลกพยายามสังเกตพิจารณาแต่คนไหนสังเกตเฝ้าสังเกตเฝ้าดูอยู่ เป็นตนเองอยู่บ่อยๆก็จะเกิดสติเกิดปัญญาขึ้นมาก็จะเป็นผู้ที่รู้เข้าใจได้เร็วแต่บางคนนี่เป็นผู้ที่มีความสังเกตน้อยมองออกไปแต่ข้างนอกเราก็จะไม่ค่อยรู้ตนเองไปรู้ที่คนอื่นพอรู้คนอื่นก็คนนั้นดีคนนี้ไม่ดีก็เกิดพอใจในพอใจเพราะฉะนั้นการมาปฏิบัติธรรมที่นี่ก็เพื่อมาเฝ้าดูตนเองอย่าไปดูคนอื่น ดูคนอื่นกน็เราดูมานานแล้วละการมาที่นี่ก็มาเฝาดูตนเองให้มันมากเอาใจใส่ในการยกมือสั่งจังหวะระมัดระวังพิจารณาใครควรพระุทธเจ้าของเราทรงเน้นมากเรื่องโยนิสโสมนสิกานความเป็นผู้ที่เอาใจใส่ระมัดระวังในการกระทํางานทำหรือว่าเดินโยกรมสั่งจังหวะนเราพยายามสังเกต แล้วก็ได้ยิน อ, อาจารย์วิมลจตุมโรได้พูดให้เราฟังเราก็เอาไปพินิจิจารณาในฐานะวันนี้เป็นวันเก็บอารมแล้วก็เอาไปพินิพิจารณา